คือคนที่ไม่มีกามไม่มีตัณหาข้ามพ้นวิจิกิจฉาเนี่ยเอ๊ะไอ้ความพ้นของเขาเป็นยังไงไอ้ตัวบรรลุเขาเป็นยังไงเนี่ยเนถามว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดความว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่คือไม่อยู่ร่วมไม่มาอยู่ในผู้ใดคําว่าตัณหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความว่าตัณหาคือไม่มีไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่ผู้ใด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 คือพราหมนั้นย่อมทูลถามถึงวิโมกขวาวิโมกของผู้นั้นเป็นอย่างไรมีสันฐานอย่างไรมีประการอย่างไรมีส่วนเปรียบอย่างไรอันบุคคล น, นั้นเพ่งปรารถนาเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตัณหา ย, ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและผู้ใดข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ววิโมกขของผู้นั้นเป็นอย่างไรคือคาถามเนี่ยเนื่องจากว่าคนถามนี่ไม่เข้าใจ คือไม่เข้าใจว่าไอ้ความสิน้นกามสิ้นตัณหาสิ้นความสงสัยนั่นแหละมันเป็นวิโมกก็เลเอผู้ที่เขาบรรลุ ก, กาเอ่อผู้ที่หมดกามหมดตัณหาหมดความสงสัยเนี่ยเขาหลุดพ้นอะไรจริงไอ้คำว่าหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากกามหลุดพ้นจากตัณหาหลุดพ้นจากความสงสัยนั่นแหละพระองค์ก็เลยตอบว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตัณหา ย, ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและผู้ใดพ้นแล้วจากความสงสัยได้แล้วเนี่ย วิโมกอย่างอื่นของผู้นั้นยังไม่มีความหลุดพ้นพิเศษไม่มีหรอกพรายความหลุดพ้นจริงๆก็คือไม่มีกามไม่มีตัณหาข้ามความสงสัยนั่นและไม่ได้มีความหลุดพ้นอะไรที่อื่นรอกอันนะ พ, พวกที่เรียกว่ากามไม่มีในผู้ใดก็หมายถึงพาดหันและขีนาศพเนี่ยนะคือเพราะท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ที่กาหนดรู้ว่าถูกกาและก็ละกิเลสกามได้แล้ว ที่บอกว่ากามย่อมไม่มีความว่ากามทั้งหลายไม่มีอยู่คือย่อมไม่อยู่ร่วมไม่มาอยู่ในผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามทั้งหลายไม่มีอยู่ในผู้ใดคาว่าตันหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดนะตันหาก็ตันหาในอารมณ์6คือรูปปตัตนหาสัทธตันหาคันธตันหาราสตันหาโพธภาพตันหาธรรมตันหา อันตันหาไม่มีแก่ผู้ใดคือตันหาไม่ย่อมไม่มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่ผู้ใดเพราะว่าตัญหานั้นอันผู้ใดละสงบประงับทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานคำว่ากระถังกระถาเป็นชื่อของวิจิกิจฉาความสงสัยในทุกความสงสัยในทุกขสมุทัยความสงสัยในทุกขนิโรธความสงสัยในทุกขนิโรธถ้าคามินีปฏิปทา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 ไปขอขามถามหาที่บรรลุเหมือนก๊ะบรรลุยังไง น, นะคนไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความสงสัยเขาบรรลุอะไรก็คือบรรลุกับบรรลุความสิ้นกามเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าบรรลุละทีนี้ถามว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีความหวังหรือหวังอยู่ถ้าบรรลุนังที่กล่าวไปนะยังหวังหรือเลิกหวังละมีปัญญาห ร, หรือมีความก่อตอัก่อด้วยตัณหาและทิฏฐิด้วยปัญญา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 คือย่อมหวังจำนงยินดีปรารถนารักใคร่ชอบใจซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพสกุลคณะอาวาสลาบยศสรนเสริญสุขจีวณบินธบาเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเภสัชบริคารการมาทารูปประทัดอรูปธาตุการมาพบรูปประพบอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวโการาภพจตุโการาภพปัญจโการาภพอดีตอนาคตปัจจุบัน รูปที่เห็นเสียงที่ฟังเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบรรมรรสมาพึงรู้แจ้งสรุปว่าผู้นั้นยังมีหวังหรือไม่มีหวังหมดตันหาหรือว่ายังมีตันหาของนันคำว่าผู้มีปัญญาคือมีปัญญาก็คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทาลายกิเลสคำว่าหรือมีความก่อ ตัหาทิฏฐิด้วยปัญญาคำว่าหรือว่าย่อมก่อตันหาทิฏฐิคือยังตันหาหรือทิฏฐิให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะด้วยยานในสมาบัติ8ด้วยยานคืออภิญญาหหรือด้วยมิจฉายานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นย่งก่อก่อตันหาทิฏฐิด้วยปัญญาหรือเปล่านะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวสักกะ คำว่าสักกะนี้หมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงผนวดจากสกยศกุลเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพระสักกะหรืออีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระสกะพระองค์มีทรัพย์เหล่านี้ทรัพย์คืออะไรก็คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาระทรัพย์คือปัญญา พระองค์มีทรัพย์คือสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พระโพชงอริยมรรคเนี่ยนะพระองค์มีทรัพย์คืออริยผลนิพพานผันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรับนะด้วยทรัพย์ดังว่ารัตน์หลายอย่างเหล่านั้นนะรัตน์คือทรัพย์คืออริยซับเจ็ดรัพย์คือโพธิปัจขยธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยนะผันพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีทรัพย์แบบนั้นเลยเรียกว่าสกกะ อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้องอาจเนี่ยนะผู้อาจสา ม, มารถผู้กล้าแกล้วกล้าก้าวหน้าไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีละความกลัวความขาดเสียแล้วปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกขนพองพ ร, พระองค์จึงชื่อว่าพระสกกะข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะรู้จักมุนีได้อย่างไรคือข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักคือพึงรู้แจ้งรู้แจ้งจเฉพาะรู้ประจักษ์ ซึ่งมุนีได้อย่างไรองขอข่าพระองค์ทูลถามทูลวิงวอนเชื้อเชิญขอให้ประสาทซึ่งปัญหาใดขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัส บ, บอกอนั่นนะประกาศให้ให้เจนแจ้งด้วยนะสัพพัญยุตยานเรียกว่าพระสมันตะจักสุพระตถาคตชื่อว่าพระมีพระสมันตะจักสุอ่า น, นีสรุปว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือยังมีความหวังนะพระละหันที่ถามถึงเนี่ยนะท่านยังมีหวังหรือไม่หวัง มีปัญญาหรือมีความก่อด้วยปัญหาทิฐิด้วยปัญญาข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสมันตะจักสุขอพระองค์โปรดตรัสบอกให้แจ้งซึ่งปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าผู้นั้นไม่มีความหวังไม่หวังอยู่มีปัญญาและไม่มีความก่อปัญหา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 คำว่าผู้นั้นไม่มีความหวังความว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีตันหาไม่เป็นไปกับด้วยตันหาไม่หวังไม่จำนงไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่รักใคร่ไม่ชอบใจซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมเนี่ยนะท่านไม่มีตันหาในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุขจีวนบินธบาเสนาสนะคีลานปัจัจเภสัชบริคาร ในการมาท่ารูปประทัดอรูปประทัดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการะภพจตุโกรภพปัญจโกระภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินนะกลิ่นรสโพธะที่ได้ทราบธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นน่ะไม่มีความหวังท่านไม่หวังอยู่เนี่ยนะ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 เครื่องกังวลเหล่านี้อันมูนีได้ละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบประงับทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสี็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นมูนีนั้นจึงเรียกว่าผู้ไม่มีกังวลท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องในกามและพพไม่คล้องในกิเลสกามและวัตถุกามไม่คล้องในกามมาพบาไม่คล้องในกรรมมาพบและอุปาติภพ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 านะโซดาสกะทาคามีอนาคามีเนี่ยนะก็ล่างกว่าอารหัน